รังสีของความเมตตาขณะฟังธรรมของหลวงตาอ่อนเห็นแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าเป็นสีทองสาดส่องเข้ามาในศาลาเปล่งประกายจับรอบองค์ท่านและยังมีรัศมีแผ่ออกมาจากองค์ท่านกว้างประมาณหนึ่งวาแผ่ลอยมาเป็นภาพเคลื่อนไหวช้าๆมาหยุดตรงหน้าอ่อน แล้วอ่อนก็เห็นแสงจากตัวอ่อนเองลอยออกมาเป็นสีเดียวกับของท่านจากนั้นได้ยินท่านเทพว่าจะน้อยใจทําไมพ่อแม่เราก็ทําดีแล้วในระยะนั้นอ่อนกําลังมีความกลุ้มใจและน้อยใจพ่อแม่มาได้เดือนหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยคุยให้ใครฟังเลยรู้อยู่คนเดียวเท่านั้นหลวงตาเทพกระหนึ่งว่ารู้เรื่องของอ่อนทั้งหมดและเทพให้อ่อนฟังอ่อนแปลกใจมาก เทศนะของท่านเรากับท่านกวาดสวะออกจากจิตของอ่อนได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือความน้อยใจพ่อแม่อีกเลยแสงที่แผ่มาหาอ่อนก็คืนกลับไปยังองค์ท่านจนจางหายไปขณะนั้นอ่อนไม่ได้เข้าสมาธิแต่อย่างใดอ่อนเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนภาพปกติที่เราเห็นเห็นกันอ่อนยังจำภาพนั้นไดจนถึงทุกวันนี้ขณะนั้นสัญญาทุกอย่างหายหมด จนไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้คนรอบกายมันว่างเปล่าไปหมดมีเฉพาะอ่อนกับหลวงตาเท่านั้น